บัดนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมระมัดระารพระภูมีประพาค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 ประกอบอธิจิตจิตยิ่งคือสมาธิตามที่ตัดสอนไว้ในวิตักสันฐานสูตรโดยลำดับเมื่อสรุปรอยหัวข้อก็คือให้พิจารณาดูจิตของตนว่ากำลังกำหนด ใส่ใจถึงนิมิตคือเครื่องกำหนดหมายอันใดอยู่อกุศลโลกวิตกความปรึกนึกคิดทั้งหลายอันเป็นอกุศลอาศัยอาศัยฉันทะความพอใจด้วยอำนาจแห่งราคะบ้างอาศัยโทสะความโกรธบ้างอาศัยโมห oh ะความหลงบ้าง ก็ให้กำหนดใส่ใจถึงนิมิตอื่นคือเครื่องกำหนดของจิตนันอื่นอันอาศัยกุศลก็คือพิจารณาหากัามมฐานข้อใดข้อหนึ่งมากำหนดนั่นเองเช่นกำหนดพิจารณาในกายเวทนาจิตธรรมอันเป็นสติปัฏฐาน เพื่อให้พักจากนิมิตคือเครื่องกำหนดซึ่งก่อให้เกิดอกุศนลนวิตตกทั้งหลายดังกล่าวแล้วแต่หากว่าอากุศนลนวิตตกยังไม่สงบเพราะยังไม่สามารถจะพาคจิตจากนิมิตคือเครื่องกำหนดอันเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลจีกำหนดมาเดิมได้ก็ให้ใช้วิธีที่สอง คือพิจารณาโทษของอกุศลนิตกเหล่านั้นว่าเป็นความ น, นึกนึกคิดที่เป็นอกุศลมีโทษทำให้จิตเศร้าหมองไม่ได้สมาธิไม่มได้ปัญญาพิจารณาไปว่ามีโทษอย่างนี้อย่างนี้ตามแต่จะใช่ สติปัญญาพิจารณาไปถ้าหากว่าอากุศลวิตกทังหลายยังไม่สงบลงได้ก็ให้มาใช้วิธีที่สามคือไม่ระลึกนึกถึงไม่ใส่ใจถึงก็าหากว่าใช้วิธีที่สามนี้ยังไม่ได้ผล เธอยังไม่สามารถจะสงบอกุศลลบิตกได้ก็ให้มาใช้วิธีที่สี่คือกำหนดพิจารณาถึงสันฐานหรือสวดงของการปรุงวิตกคือความปรึกนึกคิดต่างๆนั้นโดยพิจารณาจับสาวเข้าไปหาต้นว่า อกุศลลว่ตกเหล่านั้นจิตใจปรุงอยู่อย่างนี้อย่างนี้และติดต่อมาโดยสาวขึ้นไปว่ามีต้นเดิมมาจากเรื่องอะไรจึงได้มีความมิตกนึกคิดเป็นอกุศลติดต่อกันมาจนถึง ปัจจุบันไม่สามารถจะระงับได้เพราะว่าได้ติดอยู่ใน จ, ใจิตใจส่วนกรรมฐานที่กำหนดปฏิบัติเช่นการกำหนดพิจารณาในสติปัฏฐานทั้งสี่หรือแม่ข้อใดข้อหนึ่งในสติปัฏฐานทั้งสี่เช่นอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออก แต่ว่ากรรมฐานก็ไม่สามารถจะแทรกอกุศลลมิตกทั้งหลายที่ยังติดอยู่ในจิตได้จึงพิจารณาดูตัวของความมิตกนะึกคิดอันเป็นกุศลนั่นว่าคิดอะไรคิดอย่างไรอยู่ในปัจจุบันและสืบมาจากเรื่องอะไรที่เป็นเบื้องตน้นซึ่งทั้งสี่ประการนี้ ได้กล่าวอธิบายมาแล้วแต่ว่าในข้อสี่นี้คือการจับพิจารณาดูตัววิตกความตึกนึกคิดนั่นแมงกุศลที่ยังพรุงพรานอยู่ในจิตใจยังไม่สามารถจะสลัดออกไปได้กรรมาฐานที่ตั้งไว้ก็ยังไม่แทรกซึมเข้าไปได้พิจารณาจับดูตัวของความตึกนึกคิดอันแมงกุศลเหล่านั้น ย้อนขึ้นไปหาต้นเดิมพระอาจารย์ได้อุปมาโดยเรื่องกระต่ายตื่นตูมโดยที่มีเรื่องเล่าว่ากระต่ายกาลังนอนหลับอยู่ใต้ต้นมะตูมผลมะตูมหล่นลงมาข้างหูมีเสียงดังกระต่ายนั่นได้ยินเสียงมะตูมหล่น ดังตูมลงมาก็ตกใจคิดว่าเป็นดินถลม่มจึงเริววิ่งหนีออกไปทันทีพบสัตว์ทั้งหลายในระหว่างทางก็บอกว่าเป็นดินถลม่มตนถึงเริววิ่งหนีสัตว์ทั้งหลายก็วิ่งตามมันไปเป็นพวนเพื่อจะหนีเป็นดินถลม่มจนถึง ระบวนสัตว์ป่าที่วิ่งไปนั่นไปพบราชสีซึ่งเป็นเจ้าของสัตว์ป่าที่ท่านแสดงไว้ว่าเป็นราชสีโพธิสัตว์เห็นบรรดาสัตว์วิ่งกันมาเป็นครนจึงได้ไต่ถามสัตว์ทั้งหลายเห็นราชสีก็หยุดลอ้อมและกระต่ายก็รายงานราชสีว่าเป็นดินทลม่มราชสี จึงถามว่าเป็นดินถล่มที่ไหนให้กระต่ายพาไปเพื่อจะไปสำรวจดูกระต่ายนั่นแม้จะกลัวอย่างที่สุดแต่ก็ยังกลัวราชสีมากกว่าจึางจำต้องนำราชสีเดินกลับไปอย่างต้นมาตมที่ตนนอนอยู่เมื่อไปถึงก็ชี้ว่า ตนได้นอนอยู่ใต้ตนมะตูมต็ได้ยินเสียงแผ่นดินถลม่มราชสีห์จึงไปกรวนดูรงที่กระต่ายนอนก็เห็นผลมะตูมตกอยู่ที่ตรงนั้นจึงได้รู้ในปัญญาว่าผลมะตูมนี้เองที่หล่นลงมาจากต้นมากระทบพื้นเป็นเสียงดังขึ้น ท่ามแมกกะตายตกใจราชสีจึงได้ชี้แจงเหตุผลดังกล่าวนั้นให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่วิ่งตามกระต่ายก็ไม่เป็นควรนั้นฟังก็เห็นจริงตามที่ราชสีได้ชี้แจงก็พากันหายตกใจกลัวตามเรื่องที่เล่านี้ก็เป็นเครื่องแสดงถึง อกุศลนวีตกที่มันเกิดขึ้นแก่กระต่ายพอได้ยินเสียงโตมก็คิดว่าแผ่นดินถลม่มโดยกำหนดเสียงดังอันนั้นว่าเป็นเสียงแผ่นดินถลม่มเป็นความคิดเอาเองโดยไม่ได้พิจารณาอันนี้แหละที่เป็นตัวอย่างของอกุศลนวีตกความกึกและคิดอันเป็นอกุศลที่อาศัยโมหะคือความหลงเพราะไม่ได้พิจารณา ให้รอบขอบความคิดยึงได้ตะลือว่าเป็นดินทลม่มแล้วก็พาให้สัตว์ทั้งหลายลอยเชื่อว่าเป็นดินทลม่มวิ่งตามมาไปเป็นพ ร, รวนกันไปพบราชสีที่มีปัญญาจึงได้ชี้แจงให้ทราบเหตุผลวิตกของกระต่าย และของสัตว์ทั้งหลายจึงหายไปดังนี้ก็คือเป็นวิธีใช้ปัญญาพร้อมทั้งสติจับพิจารณาดูอกุศลวิตกของตนที่ยังไม่สามารถจะสงบได้จับตัวอกุศลวิตกนั้นมาตรวจตราดูว่าคิดอะไรคิดอย่างไรเนื่องมาจากเหตุอะไร เดาไปเสาวไ ป, วไปจนพบตนเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะทำให้อกุศลวิตกดังกล่าวนี้สงบลงได้การจับพิจารณาดังนี้เป็นประโยชน์แก้จิตที่ไม่สงบให้สงบได้และบางทีก็ต้องแก้กันนานเราว่าเมื่อแกเรื่องนี้ โดยการจับสาวม iles, heaven, อหาต้นเหตุมามาจากอะไรแล้วการพบต้นเหตุแล้วความวิตกนั้นก็สงบแต่ก็ไปวิตกเรื่องอื่นอีกก็จับสอบสวนเรื่องอื่นนั้นอีกเรื่องนั้นก็สงบกอเกิดวิตกเรื่องอื่นขึ้นอีกก็จับสอบสวนวิตกนั้นก็สงบก็เกิดเรื่องอื่นขึ้นอีก ก็จับสอบสวนบางคราวต้องจับสอบสวนกันอย่างนี้ไปห ล, หลายเรื่องหลายราวจนจิตไม่มีที่ที่จะวิตกไปในอารมณ์ที่เก็บเอาไว้กรรมาฐานที่ตั้งกนหนดก็เป็นไปได้เพราะจิตนี้ไวมากเช็นบางทีนางกำหนดพิจารณา ในกรรมฐานข้ออนาปานสติอันเป็นข้อแรกของกายานุปัสนาสีประธานจิตพอจะได้สมาธิก็มีเสียงคนเดินมากระทบหูจิตก็ออกไปทันทีแป๊บเดียวเท่านั้นจิตวิ่งพรานไปหลายเรื่องหลายราวก็ต้องใช้สติ นำจิตเข้ามาจับพิจารณาสอบสวนดูว่าจิตหลุดออกไปคิดในเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งเรื่องนี้เรื่องที่สองเรื่องนั่นเรื่องที่สามเรื่องโน้นต่อกันไปเมื่อสอบสวนดังนี้แล้วจิตก็จะสงบกลับมาตั้งกำหนดในกรรมฐานที่ตั้งไว้ไใหม่ เพราะฉะนั้นท่านจึงยกเอาเรื่องกระต่ายตื่นโตนี้ขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เห็นวิตกของจิตที่อาศัยโมะหะคือความหลงว่าคิดไปใหญ่โตมากมายแต่เมื่อจับสอบสวนจริงๆแล้วก็จะพบต้นเหตุื่อพบต้นเหตุแล้วว่าเป็นความหลงไหลไป จิตก็จะสงบลงได้นี่เป็นอนธิบายในข้อที่สี่แต่ว่าแม้ใช้ข้อที่สี่นี้ยังไม่สงบก็ตรัสสอนให้ใช้ข้อที่ห้าอันเป็นข้อสุดท้ายคือใช้บังคับทางร่างกายได้แก่กดฝันด้วยฝันดุน เพดานในปากด้ลิลินเป็นการบีบบังคับบีบขั้นจิตเมื่อใช้วิธีนี้ก็จะทำให้จิตหยุดวิตตกได้อันนับเป็นข้อที่ห้าจิตก็จะเดินไปสู่ครองของกรรมฐ า, านที่ตั้งเอาไว้ผู้ที่ปฏิบัติไปตามวิธี ประกอบปฏิจิตคือจิตยิ่งอันได้แต่สมาธิตามที่ตรัสสอนไว้นี้พระองค์ได้ทรงแสดงว่าทำให้เป็นผู้ที่ชำนาญในกระบวนของวิตกคือความฝึกนึกคิดปรารถนาจะวิตกคือฝึกนึกคิดเรื่องอันใด ก็จะวิตกฝึกรละคิดเรื่องอันนั้นได้ไม่ปรารถนาะจะวิตกคือฝึกและคิดเรื่องอันใดก็จะหยุดวิตกคือความฝึกและคิดเรื่องอันนั้นได้และเมื่อเป็นดังนี้แล้วกรรมฐานก็จะตั้งมัน่นเจริญคือว่าจิตก็จะหยุด ตั้งมันจะหยุดสงบจะเป็นจิตที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวตั้งเป็นสมาธิได้เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะตัดตันหาคือความเิ่นโลภยานอยากได้จะทำลายสังโยชน์คือความผูกจิตหรือกิเลสที่เป็นเครื่องผูกพันจิตได้จะทําที่สุดทูกได้ เพราะบรรลุความรู้ความเห็นในมานะความสาคัญตัวและจะตัดมานะคือความสาคัญตัวได้อันตัญหาคือความเล่นรนทยานอยากสัญญตคือความผูกใจหรือเครื่องผูกใจในมานะคือความสาคัญตัว นี้เองเรื่องเป็นเครื่องดึงให้จิตวิตกคือปลึกนึกคิดไปในทางเป็นอกุศลทั้งหลายอาศัยอาศัยชั้นราคะความติดใจด้วยอำนาจของความพอใจบ้างอาศัยโทสะความโกรธแค้นคัดเคืองบ้างอาศัยโมหะคือความหลงไหลบ้าง ฉะนั้นเมื่ อ, อยังตัดตัญหาไม่ได้ยังทำลายสัญญชน์คือเครื่องผูกใจไม่ได้ยังรู้ยังเห็นและตัดมานะคือความสำคัญตัวไม่ได้จิตก็ย่อมจะยังวิตกคือตึกนึกคิดไปในวกุศลทั้งหลายการจะทำกรรมาฐาน ก็ไม่สามารถที่จะทำได้สะดวกก็มาฐานจะไม่ก้าวหน้าจิตจะไม่สงบจิตจะไม่ตั้งมัน่นจิตจะไม่มีอารมณ์เป็นอันเดียวจิตไม่เป็นสมาธิและเมื่อไม่ในสมาธิก็ไม่ในปัญญานันเป็นเครื่องตัดกิเลสเพราะการที่จะตัดกิเลสได้นั้นต้องตัดในปัญญา อันเสริมมาจากสมาธิคือจะต้องพิจารณาด้วยวิปัสนาปัญญาอาศัยกิจที่เป็นสมาธินั้นพิจารณาขันห้ายอดลงเป็นนามรูปว่าเป็นอนิจจ่าไม่เที่ยงอย่างนี้อย่างนี้เป็นทุกขะตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องแปลปลวเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้อย่างนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนอย่างนี้อย่างนี้น้อมจิต ท, ที่เป็นสมาธิคือสงบแล้วไปพิจารณาตรราให้เห็นอนิจจเห็นทุกขเห็นอนัตตาเปลี่ยนจากสัญญาคือความกำหนดหมายหรือความจำหมาย มาเป็นตัวปัญญาเมื่อเป็นดังนี้ก็จะตัดปัญหาจะรทำลายสัญญน์คือเรื่องผูกหรือความผูกใจจะเห็นมานะจะตัดมานะคือความลำาคัญตนทำทุกให้สิ้นสุดได้อันมานะคือความสำาคัญตนนี้ที่เป็นอย่างละเอียดก็ได้แก่อัตมิมานะ ความสัมพันธ์หมายว่าเรามีเราเป็นคือมีเราเป็นการสร้างอัตตาตัวตนขึ้นเมื่อสร้างอัตตาตัวตนขึ้นว่าเรามีเราเป็นก็สร้างของเราขึ้นเป็นวันอันว่ามีเรามีของเรานี่เป็นตัวมานะเป็นอย่างละเอียดเมื่อมีมานะอย่างละเอียดดังนี้ ก็ย่อมมีตัณหาความเร่นร้นทยานยากต้องการจะได้นั่นในนี้มาปลนปลื้อตัวเราต้องการจะให้ตัวเราเป็นนั่นเป็นนี่ไปต่างๆซึ่งล้วนแต่ประกอบไปด้วยอาวิชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวจริงเมื่ออันที่จริงนั่น ล้วนเป็นมานะเืิความสงคัญตัวตัวมานะนี่เองเป็นผู้สร้างตัวเราของเราขึ้นมาและววิชานั่นเองเขาเป็นตัวสร้างมานะขึ้นอวิชชาจึงเป็นต้นเดิมเมื่อเกิดมานะขึ้นก็เกิดตัณหาและเกิดสัญยอดคือความผูกใจในอารมณ์ทั้งหลาย ที่มาประสบพบพันธุทางตาหูจมูกลิ้นกายในมรณะคือใจก็เป็นส่วาคือผูกพันธุขึ้นใน ใ, นใจผภกพันธุอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑะในธรรมะคือเรื่องราวต่างๆประมวลลงว่ามาเป็นตัวเราเป็นของเรานี้เองแล้วก็เสริมตัวเราแลือของเรานี้ให้ใ ห, ใหญ่โตขึ้นตัณหาก็ใหญ่โตขึ้น สัญญอ์ก็ใหญ่โตขึ้นแล้วเมื่อบันดาลกิเลสเหล่านี้ใหญ่โตขึ้นก็เพิ่มโมวิชาคือความไม่รู้ให้แน่นขึ้นเพราะฉะนั้นจึงก่อให้เกิดอกุศลโลกวิตกต่างๆที่อาศัยชันดาราค่าบางอาศัยโทสะคือความโกรธแค้นขัดเคืองบ้างอาศัยโมห oh ะคือความหลงบางและโลกวิตกไปเป็นแบบกระต่ายตื่นโตมนั้นในเรื่องราวทั้งหลาย โดยอำนาจแห่งโมหะคือความลงอยู่เป็นอันมากทั้งนั้นการปฏิบัติทางสมาธิทางปัญญาจึงเป็นการทำยากต่อเมื่อมาอาศัยมิธีปฏิบัติธรรมะที่จิตเกียรตยิ่งคือสมาธิเพื่อปัญญาตามพิระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ ทั้งห้าประการนี้ก็จะทำให้สามารถทำจิตให้สงบได้จากวิตกที่เป็นอกุศลทั้งหลายทำจิตให้ตั้งสงบทำจิตให้มีอารมณ์เป็นอันเดียวได้เป็นสมาธิได้แลวก็สามารถจะน้อมจิตที่เป็นสมาธิได้ เ, เพื่อรู้อันเป็นตัวปัญญาได้อันเป็นเครื่องตัด ตั้นหาทำลายสัญญน์ทำทุกให้สิ้นสุดได้เพราะบรรลุความรู้ความเห็นรู้จักตัวมารนณะและตัดมารนณะคือความสำคัญตัวทำลายอาวิชชาใด้ในที่สุดเพราะฉะนั้นมีธีปฏิบัติทั้งห้าประการนี้ จึงเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ปฏิบัติทำปฏิจิตคือสมาธิเพื่อปัญญาทั้งหลายพึงใช้วิธีทั้งห้าประการนี้ในการปฏิบัติทำจิตของตนให้เป็นสมาธิเพื่อปัญญาก็สามารถจะทำสมาธิได้สามารถจะน้อนจิตไปเพื่อปัญญาได้ต่อไปนี้ ก็ให้ตั้งใจตั้งความสงบสืบต่อไป